ฉันวั น, นิพาจเจริญสุขนะคะคือน้องสาเนี่ยปฏิบัติธรรมมาพอสมควรดิฉันก็ก็เพิ่งจะมาเริ่มตอนอายุเจ็ดสิบมาเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะด้วยความโลภนะคะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยได้อะไรนะคะดิฉันก็บ่นกับน้องบอกว่าเนี่ยก็นั่งมาแนละ้วสองเดือนมันควรจะต้องได้เหมือนมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงน้องเขาก็บอกว่าอย่าโลภ เพราะว่าแอ้ทําทุกวันเนี่ยทําแบบคนโลกมันต้องค่อยเปลี่นค่อยไปแต่นี้ก็ยอมรับไหมคะเดี๋ยวมันก็ยังทําใจอะไรไม่ค่อยได้หกเดือนที่ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคก็ดีอแต่แบบทําไมทิ้งได้มีจิตมันมันมันเหมือนกับไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรตัวเองเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรที่พอจะช่วยให้โยมแบบให้รู้สึกดีกว่านี้ ก็คือแบบนั่งสมาธิที่ที่นิ่งกว่านี้แล้วก็คืออย่างที่ผมพูดนะคบใจผิดก็ใจผิดเก็ใจผิดนะคะก็ใจผิดไม่เปลี่ยนหรอกไอ้ที่เราพูดว่าทำไมให้มันเปลี่ยนกว่านี้เราจะทําให้ไอ้ที่มันมันจิตใจไม่เห็นมันเปลี่ยนอะไรเลยมันทําไมไม่นิ่งกะทีไม่นิ่งหรอกไม่เปลี่ยนหรอกเปลียนแต่ว่ามันต่างกันตอนที่เมื่อก่อนเนี้ยมันมันเป็นไปยังไงเราก็เปลี่ยนไปกับมัน แต่ตอนนี้เรามาไปมาปฏิบัติธรรมแล้วเราปล่อยให้มันไปแต่เราไม่ไปกับมันเข้าใจถูกกับเใจผิดเนี่ยเส้นดแดงพาแปดนิดเดียวเองความบันทุกอะเข้าใจสมัยว่าที่เราบอกว่าแม่มานั่งสมาธิตั้งหลายเดือนนะทําไมมันจิตใจมันเป็นยังไงก็เป็นอย่า ง, ง น, นั้นแหละถูกต้องไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนจิตใจไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนจิตใจไม่ใช่เรา เราไม่ใช่จิตใจจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตัดแต่เราเปลี่ยนคือเราไม่ถูกจิตใจมันลากไปไม่ใช่ว่าเราก็ใจผิดไปทำให้จิตใจเปลี่ยนจิตใจไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนจิตใจมันเลยเปลี่ยนเพราะอะไรไม่มีใครไปกับมัน เหมือนกับว่าจิตใจอ่ะเหมือนเพื่อนชอบมาชวนเราไปเที่ยวกลางคืนทุกวันชอบชวนเที่ยวกินเหล้าเที่ยวบาร์เที่ยวเทคเที่ยวไห่งขับเที่ยวสมเรเทเมาจิตใจเราสมัยก่อนเป็นงั้นถามว่าเออเรามานั่งสมาธิหลายเดือนทำไมจิตใจไม่เปลี่ยนเราเข้าใจปิดเราก็ใจว่าจิตใจเป็นเราแต่จิตใจเหมือนเพื่อนที่มาชวนเราไปเที่ยวไอ้จิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา มันเคยกินเที่ยวยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างงั้นแหะมันไม่มีเปลี่ยนหรอกแต่เราเปลี่ยนว่าเราเบื่อแล้ววันนี้เราเบื่อแล้วที่เราเนี่ยไปกินเที่ยวสมเลรเทมากับเพื่อน่ะเราไม่ไปแล้วเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนก็เปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนนมันไม่มีเราไปด้วยมันเลยขาดเพื่อนซีเออมันเลยขาดเพื่อนซีมันก็อาจจะมาถามเราว่าเอรร๊ะทำไมทำไมเราเปลี่ยนได้ ทำไมเ ร, เรามีความสุขสงบเพื่อนมันอาจจะกลับใจว่าเออไว้แท้จริงกินเทนี่ยวมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีความสุขเลยเห็นเรามีความสุขสงบเพื่อนมันก็อาจจะมีความสุขสงบมกลับเราก็ได้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนที่ตัวเราไม่ได้เปลี่ยนที่เพื่อนเราเปลี่ยนที่จิตจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอย่างไรมันก็เป็นทั้งวันอย่างนั้นเนี่ยแต่เราสิไม่หลงไม่ตามมันเราได้แต่ รู้มันว่ามันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ไปวุ่นวายกับมันเราไม่ไปกับมันแล้วเราก็ไม่ไปงุนิงมันเราไม่ไปลาคาดมันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นไปกับมันเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นไปกับจิตที่มันวุ่นวายนั่นแหละแต่บัดเนี้ยเราไม่วุ่นวายแล้วเรากลับไปงุนงิดจิตที่วุ่นวายก็ผิดอีกเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าจิตวุ่นวายเพราะอะไรเราเป็นไปกับจิตเลยกุ้มกั้มกุ้มกั้มมีอารมณ์ไปกับจิตเลย แบบนี้ เ, เราสางบแล้ว hmm. เราไม่วุ่นวายแล้วส่วนจิตเขาก็ยังวุ่นวายเนี่ยเพราะก็เป็นธรรมชาติที่วุ่นวายจิตอ่ะจิตก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่เราเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเราเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่วุ่นวายแต่จิตปรุงแต่งเขาเป็นธรรมชาติฝ่ายที่วุ่นวายเขาจะปรุงแต่งยังไงก็ตามแบบนี้เราไม่ปรุงแต่งแล้วเราก็รู้ลมหายใจในเรื่องเราเนี่ยแต่จิตเขาวุ่นวายยังไงเนี่ย เราก็จะไปหงุดหงิดลคาคาญเขาแล้วเราอย่าทิ้งความรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกและไปกับเขามีแค่สองอย่างแค่นี้เองคือเราอย่าทิา้งลมหายใจเขาออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรส่วนจิตก็จะวุ่นวายยังไงเนี่ยมันไม่สงบยังไง เ, เ, เ, เ, เ, เราจะไปกับเขาเมื่อเราไม่ไปกับเขาเราอย่าเป็นลำคาญเขาด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปกับเขาเลยกินเที่ยวกับเขาเลยแต่วันนี้พอเราไม่กินเที่ยวกับเขากลับไปลคาคาญเขาก็อย่าไปลคาคาญเขาที่ท่านบอกว่าเอาจิตคือจิตมันก็จะวอกแวกไปนู่ไปนี่อะค่ะ ก็หมือนกับเราก็ต้องมีหน้าที่เรียกไม่ต้องนะเอาเราให้อยู่กับจิตเราให้อยู่กับหายใจเพลินพุโทโธแต่จิตเป็นไปไหนไม่ต้องเรียกมันกลับเอาแล้วอย่างนี้เราจะเป็นมีสมาธิได้ก็เราเรามีสมาธิแต่จิตไม่มีสมาธิมาามาไม่ใช่เราอยากให้ไอ้รู้ลมหายใจเข้าออกมันขาดาากันแล้วกันแต่จิตจะไปไหนช่างมันแต่เราเนี่ยจะอยู่กับพุโทโธแล้วเราจะอยู่กับบ้านเหมือนกับว่าลามหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นบ้าน ไอ้เพื่อนมาชวนเรื่อยเลยจิตทีต่ไปนู่นไปเนี่ยแต่เราไม่ไปกับมัน แ, แล้วเราจะอยู่กับบ้านให้เราเนี่ยอยู่กับบ้านให้มั่นคงแต่จิตเนี่ยมนันไปนู่นไปเ น, นี่ยไปเนี่ยปล่อยมันมันจะชวนยังไงเราไม่ไปกับมันแต่เราอย่าพยายามาไปเรียกจิตมาเข้าบ้านเราเนี่ยเป็นสติสว่วนจิตเนี่ยเป็นตัวคิดปรุงแตง่งช่างวันเถอะเราเคยไปกับมันมาเยอะแล้วเราไม่ไปแล้วเดีนี้เราไมไปเราจะอยู่กับบ้าน บ้าน <B ahn> คือเราเนี่ยคือส ต, ติส ต, ติเราเนี่ยจะอยู่กับบ้าน <B ahn> บ้านคือลมหายใจก็พุทธหายใจออกโทรเราจะไม่ทิ้งบ้านเราจะไม่ทิ้งบ้านแล้วเราเนี่ยจะไม่ทิ้งบ้านจนกระทั่งมันดับไปพร้อมกันคือสิ้นลมหายใจสุดท้ายส่วน จ, จิตเนี่ยมันจะคิดไรช่างมันไม่เกี่ยวกับเราโอ้ฮะจิตมันเป็นธรรมชาติฝ่ายคิดปรุงแต่งแต่เราให้เป็นส ต, ติไว้ส ต, ติอยา่อยาทิง้งอย่าทิ้งสติตัวเดียวอย่าทิงตต้งสติเราเนี่ยเป็นสติอย่าทิ้งสติให้มีสติไว้เอสติอยู่กับบ้านนะ อย่าสติไปกับจิตนะออย่าทิ้งสติไปกับจิตอ่ะให้สติอยู่กับบ้านไว้ให้จิตไม่อยากทีิ้งไปปล่อยมันเดี๋ยวมันกลับมาเองเอ้จิตไปไหนที่มันกลับมาเองมันไปไหนไปไปไหนหรอกเพราะว่าจิตไม่กล้าทิ้งไปไกลหรอกเพราะอะไรยังไม่ตายยังไม่ตายจิตยังไม่ทิ้งไปไกลหรอกตายซะก่อนจิตมันก็ทิ้งไปตอนเนี้เรายังไม่ตายจิตมันไม่ทิ้งเราไปได้หรอกเราไม่ต้องห่วงหรอกว่าเดี๋ยวจิตมันเที่ยวแล้วไม่กลับมาไม่จริงหรอกเรายังไม่ตายเดีวมันกลับมาเราตายแล้วจิตมันค่อยไป แต่เราให้เป็นสติก่อ น, <S <S <ค>นเราทิ้งมันไปก่อนเราจะทิ้งมันก่อนแต่มันเนี่ยไม่กล้าทิ้งเราหรอกเพราะว่าเรายังไม่ตายเราจะยึยดมันเราเนี่ยฝึกปล่อยวางมันซะ ก, ก่อนเลยตั้งแต่เรายังไม่ตายพอตายแล้วเนี่ยมันก็ปล่จากเราไปเองไอ้จิตเนี่ยจิตมันจากเราไปเองมันดับไปเองร่างกายก็ดับไปจิตใจก็ดับไปแต่เราเนี่ย <S <S 1> <S 1> ให้เป็นสติไว้อยู่กับสติไว้ให้เป็นสติไว้รู้ลงไปใจข้าพูดไหนแจ็เอาท์โทไว้เอแล้วเราก็ทิ้งไม่หมดจิตเนี่ยมันคิดยังไงก็ทิ้งมันไปทิ้งกันไปอย่าไปห่วงมัน ไม่ใช่ว่าเราไปคอยดึงกลับมันนะไม่ใช่พอเราตายจะไหมไกายเนื้อมันตายแตกดับเน่าใช่ไหมแล้วก็มันมีจะ ม, จะมีกายโปร่งแสงเนี่ยก็ได้ดหลุดมาจากล่างเราไอ้กายปร่งแสงที่ก็ะเด็นหลุดจากล่างเราเนี่ยนี่ยมประทุนเขาก็จะลากเราไปบาปกรรมก็จะให้ผลรอให้ผลแล้วจะว่าจะลากเราไปไหนส่วนส่วใหญ่ส่วนใหญ่ลากไปอบายหมดเพราะมันมันหลงไปตามกิเลสหลงไปตามความคิดปรุงแต่งอันนี้ ทำไมอจึงมีไอ้กายโปร่งแสงก็ะเด็นออกมาแล้วเราจะมาทุกกับไอ้มาทุกกับไอ้ตัวที่มันเป็นกายโปร่งแสงคือไอ้จิตเนี่ยถามไอ้กายปร่งแสงนี่คืออะไรคือจิตจิตแต่เป็นจิตที่มีเราผสมด้วยมีจิตที่เราผสมด้วยแต่ถ้าเราไม่ไปกับมันน่ะที่ฝึกไม่ให้ไปกับมันน่ให้เราเป็นสติไว้ส่วนจิตเนี่ยเราฝึกปล่อยวางมันตั้งแต่ยังไม่ตายว่าเรายังไงเราไม่ไปกับมึงเนี่ยเราไม่ไปกับมันไม่ไปกับมันมันเชื่อไปไหนไม่ไปกับมันตลอดเน่ยเราจะไปกับมันเราก็ไม่มีสติ อยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือหายใจครับพุทธหาใจของโทเราฝึกปล่อยวางมันจนกระทั่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่อยู่ในความสนใจเลยจิตเราไม่ห่วงใยว่าต้คอยเรียกมันกลับคอยอยากมันไม่นิ่งอยากให้มันนิ่งมันไม่สงบอยากให้มันสงบไม่ห่วงใยมันเลยถ้าเราไปห่วงใยมันห่วงลูกน้อยอะมัาลองคอยเดี๋ยววิ่งก็ไปประหล่ะโอ้ให้มันนิ่งมัาลองฟุ้งซ่านวุ่นวายคอยไปวิ่งประหล่ะโอ้ให้มันนิ่งอย่างนี้บอกไม่ห่วงใยไม่ห่วงใยอย่างนี้ทิ้งสติยันเลย ทิ้สติอยู่กับบ้านคือลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือหรือพุดโตพุดโตพุดโตแล้วคอยวิ่งไปช่วยมันเรื่อยแล้วก็บอกว่าไม่ห่วงมันแต่จริงๆเราห่วงมันตลอดเลยใจเราไม่อยู่กับตัวเดี๋ยวก็ไปอยู่กับลูกอยู่กับผัว อ, อยู่กับคนนั่นอยู่กับคนนี้ไม่อยู่กับเลยไม่อยู่กับบ้านเลยบ้านคือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพุดโทพูดโตเราก็ฝึกอย่างเนี้ยฝึกจนทั้งใจเราเข้ามารวมอยู่กับใจของตัวเองคือสตินั่นแหละ มันเข้ามารวมกับใจใจเลยกลายเป็นสติซะเองสติก็เกิดมารวมกับใจใจก็เลยเป็นสติเป็นใจที่มีสติซะเองคืออยู่กับใจของตัวเองไม่ไปอยู่กับใครไม่ต้องพึ่งใครอันนั้นเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยจิตที่ไม่มีตัวเราไปด้วยมันก็ดับเพราะว่าไอ้ที่มันไม่ดับเพราะมีตัวเราไปด้วยทีนี้ไอ้จิตที่มันกลายโป่งแสงเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันมีตัวเราไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยไม่ดับแต่ถ้าจิตเนี่ยเขาเรียกจิตหรือวิญญาณเนี่ย ที่ชบาบ้านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณออกจากล่างเนี่ยไอจิตหรือวิญญาณออกจากล่างมันเนี่ยมันมีเราไปด้วยมีเราร่วมไปด้วยถ้าเราเนี่ยไม่เป็นร่วมด้วยเนี่ยเราฝึกปล่อยวางเข้าแต่แรกไอจิตวิญญาณนี้ก็ดับลงทุกอย่างก็เหลือแต่เราที่เป็นความว่างเปล่าหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเป็นความว่างจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสกับอนนท์ว่าอานนท์ตถาคตไม่เคยเกิดไม่เคยตายตถาคตหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ นี่น่ยยมพบาลก็พวกยมทูตติมาลากบวิญญาณก็หลักไม่ได้าหาตัวไม่เจอบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นโมฆะ